หนึสมาธินี้คือสุปราคอนเซนเทรชัน่นมิใช่เมดิเทชัน่นสมาธิของพุทธเรียกว่าสัมมาสมาธิสุปราคอนเซนเทรชัน่นซึ่งไม่ใช่สมาธิทั่วไปเมดิเทชัน่นตามที่หลงเข้าใจการอยู่ส่วนมากในทุกวันนี้เพราะสมาธิของพุทธ หากปฏิบัติเป็นสมาธิก็จะมีผลเจริญอธิศีนเป็นขั้นต้นแล้วจึงจะเจริญอธิจิตคือกายสังขารอันมีองค์รวมของรูปกับนามเจริญเป็นอธิศีนขั้นกลางแล้วจึงจะเจริญอธิปัญญาเป็นการรู้ชาณาติเห็นปัจจิ หรือมีวิปัสสนาญาณในการรู้เห็นภาวะของอธิจิตสิกขาของตนว่ามีอาการอธิมุตโตรหรืออธิมโมกโขคือจะเจริญโน้มน้อมไปในทิศ ท, ทางลดละนายคลายออกจากความใคร่อยากกามเท่ากับกจิตกิเลสที่หลงในอร่อยของรูปเสียง กลิ่นรถสัมผัสภายนอกออกจากความติดยึดในโลกธรรมลาบยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นคือกิเลสอุปทานในจิตตนจะโน้มเอน็นออกจากการติดยึดโลกโลกธรรมอันได้แก่ลาบยศสรรเสริญสุข และจะโน้มเองออกจากความเป็นตนอาจตานั่นคือจิตจะเป็นอธิมุตโตหรืออธิมโมกโโห